ในร่างกายของเข้าถึงแต่หัวจนหอดตีนเข้าได้มากจากไผ่นี่แหะคือมอสรดกที่พอแม่หมอ้อไผ่เข้ายังมีอยู่มอรดกชิน่นนี่เพราะฉนั้นเข้ า, เอาออกมอสรดกชิ่นนี่นะไปทํามากข้าขายจากนั้นเขาก็เออทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พอให้แม่เขานะ่ะปีนึ่งข้างหนึ่งพอแม่เนอรหลวงวิ ญ, ญญาณของพอแม่ตกทุกข์แต่ยากจังไรสิงสถิตยุทธินใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ขานเนอ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 พ่อแม่ตายพอก็ได้จัดการแต่งาาตงานให้ลูกชายพ่อแต่งงานให้ลูกชายป่านี่ลูกชายกับใดใดเมียมาบ่านีออ่ก็เลยได้ลูกด้วยอีกผู้พ่อนีอ่ก็เลยป่วยเป็นอัมพาตป่านี่พ่อป่วยเป็นอัมพาตก็นอนแหลนนนะมานอนส้งเออไปล่จะไปทํางาน อ, อ่าลูกชายนี่ก็ต้องเฝ้าให้เมีย่ยไปทํางานฮะคานาวะลูกชายไปทํางานฮะลูกสาวไผก็ต้องเฝ้าพ่อต่อ ม, มาลูก หลานกะใหญ่ขึ้นมาบ่เนี้พ่อเจ็ดดูแล ป, ปูได้ก็เลยให้ลใหลานเป็นผู้ดูแล ป, ปูแทนพอแม่ก็ไปทําการทํางานพ่อต่อมาทฉยเลยลูกก็เนี่ยขืนเงยขึ้ น, นละอายุสิบพกสิบเจ็ดปีสิบแปดสิบเก้าปีเราวันออกไปบ้านี้ผู้พ่พอเนี่ยเลยเอยพ่อเนี่ปูเนี่ยพ่อเนี่ยตายขบว่าตายหายกขบว่าหายนักไปนาเลยเออมีแต่ขี่มิตเตเนียวนอ่งเดืกลับหม่องติเซดขี่เซตเนียว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 เมือเ่อไหร่จไปใสเนะพอมีโชร ะ, นะ่ อ, อูบ้านนะวันนี้นะอย่าไปเที่ยวนะครับดังลูกชายก็ค้อยลอกขอยประมาณแท็กซี่หาทุ่มันนี้บ้านเมืองคนกับเงียบวนนไปแบบพ่อเงียบแล้วก็พ่อกับว่างแผนว้ผู้เดียวเด้ห ม, มุบ ม, มับมแบหบมับวันไปอมากกันมาวันนี้แบบเกินลูกชายมาเอาจับขาโป่ัทงผู้พ่อนี่ก็จับขี่ตะแลววันไปแบบยกข้างขีตะแล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 กาศูนย์ท่อนลพดสีแห่นอบอสเอัอลบอภาพบอสพรกพุทธเจ้าเนี่ยหายยังเอาหมดเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์เออเอาเออขาสะสอนใหบ้บาตแล้วเพื่นก็ได้สอนใหพ้พอสอนเรียบร้อยละบาดเนี่พภาพจาได้บอลได้ครับไปไปกาศูนย์ท่อนศูนท่อ น, น, อนลพดไอ้คุ้มของเจ้านะเก่ามาจะเกิดมาจะคุมได้มาจะคุมได้ไปหาคุ้มนั่นละ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 เพิ่นสั่งสอนแนะนำสั่งสอนจางไหนเพิ่นไห้พาวานาพุทธพ่อนออย่างหลวงปู่มันเพิ่นสอนเนีอยนางยังเนี่ยยังหลวงตา น, นางเห็นม่้สีขาวเนี่ยนางคัดสมาธิยังสิล่ะเอ้าั่งคัดสมาธิค้าขว้าทับข้าสายมือคว้าทับมือสายจากนั้นกวาริกรรมหายใจเขา่าพุทหายใจออกพ่อพุทธพพุทธ พ, พ, พอันนี้คือนางสมาธิเมื่อนั่งสมาธิและจิตใจร่วมสงบลงไปแล้วเข้าจงหูจักโดยตนเองว่าอ้าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วศูนย์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 เออไข่พวกเขานี่มีแต่ออกนอกหลูมนอกทาง <m ix> บ่มีศีลบ่มีถ้ำบอ่อมีบ่จะได้ยึดมีแต่คิดแต่ท่างโลกบ่ได้ยึดในศีลในถรำหระพวกเข้าจะหาความเจริญบ่ได้นะจะเลื่อนทางโลกกรแมนยุบแต่ว่ามทาในถ้ำบ่จะเลื่นพไปตามแนวแถวของพ่อแม่คูบาอาจารย์ถึงจะทุกข์จะยากบนไดก็ให้เดินตามแนวแถวของพ่อแม่คูบาอาจารย์ของพวกเข้า <m ix> พวกเขามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสงบผาสุขทางด้านจิตใจ